เจริญพนท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราช2552เป็นวันที่ท่านทั้งหลาย ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญบุญบารมีเพราะเชื่อในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกินว่าเราตายไปแล้วนั้นเราไม่ได้สูญหายไปไหนส่วนที่สูญหายไปก็คือร่างกายร่างกายก็กลับไปสู่ดินน้ำลมไฟ แต่ใจผู้รู้ผู้มาครอบครองร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็จะไปต่อไปหาพบใหม่ไปหาร่างใหม่เราจึงต้องสะสมบุญบารมีกันเพราะบุญบารมีจะทำให้ใจได้ร่าง ใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้พบชาติที่ดีกว่าเดิมมีความสุขมากกว่าเดิมมีความทุกข์น้อยกว่าเดิมมีความลาบากยากเข็นน้อยกน้อยกว่าเดิมถ้าเราไม่สะสมบุญบารมีเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปเราก็จะไป แบบตัวกปล่ามือเปล่ า, ลาไม่มีบุญบรารมีติดตัวไปเลยเมื่อไม่มีบุญบรารมีพบก็จะไม่ดีชีวิตของเราก็จะไม่ดีเท่าที่ควรนี่คือเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญกันอย่าให้ความสำคัญกับเฉพาะเรื่องการทำหากินหาความสุข ในปัจจุบันนี้เพียงอย่างเดียวเพราะเราต้องรู้ว่าชีวิตของเรานั้นมันมีเวลาที่จะต้องจบสิ้นลงไปเมื่อจบไปแล้วก็ต้องเป็นเรื่องของบุญของกรรมที่จะพาเราไปต่อไปสูงก็ไปเพราะบุญไปต่ำก็ไปเพราะกรรมไปเพราะบาป นี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้เห็นแล้วนาเอามาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่สามโลกที่ยังมีจิตใจที่มืดบอดไม่สามารถมองเห็นจิตใจของตนเองได้คิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนของตนแต่หารู้ไหมว่าร่างกายเป็นเพียง สิ่งที่จิตใจมาอาศัยมาครอบครองมาใช้งานเท่านั้นเองร่างกายก็เป็นเหมือนกับรถยนต์ส่วนจิตใจนั้นเป็นเหมือนกับคนขับรถคนขับรถกับรถยนต์นี้ <c oughs> ไม่เหมือนกันคนขับรถในเวลาที่รถเสียหรือรถพังไป คนขับรถก็ไม่ได้เสียไม่ได้พังไปกับรถคนขับรถก็ต้องไปหารถคันใหม่มาขับถ้าคนขับรถฉลาดรู้จักเก็บเงินเก็บทองไว้มากๆเวลาที่รถคันเกา่าเสียไปต้องทิ้งไปก็จะมีเงินซื้อรถคันเกา่าที่ดีกว่าเดิมฉันใดบุญบารมีที่เรามาบำเพ็ญ มาสะสมกันนี้ก็เป็นเงินเงินทองของจิตใจที่จะได้เอาไว้ซื้อร่างกายซื้อพบซื้อชาติใหม่ที่ดีกว่าเดิมถ้าได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณดีกว่าเดิมมีความฉลาดมีความรู้มากกว่าเดิม มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากกว่าเดิมมีสุขภาพที่ดีกว่าเดิมมีโรคภัยเบียดเบียนน้อยลงไปกว่าเดิมอยู่ที่บุญบารมีที่เราได้มาสะสมกันเหมือนกับการปลูกข้าวถ้าเราไม่ปลูกข้าวต่อไปเราก็จะไม่มีข้าวเก่น พรข้าวที่เรามีอยู่ในวันนี้ก็จะต้องหมดไปถ้าเราไม่ปลูกไว้ในวันนี้ในวันข้างหน้าเราก็จะไม่มีข้าวรับประทานบุญบา ร, รมีก็เป็นอย่างนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญต่อบุญบา ร, รมีมากกว่าอย่างอื่นถ้าเราสร้างบุญบา ร, รมีมากต่อไปเราจะสบายมาก ถ้าเราสร้างบุญบา ร, รมีน้อยต่อไปเราก็จะมีความสบายน้อยมีความทุกข์มีความยากลำบากมากดังนั้นเราจึงควรเชื่อเรื่องของบุญเรื่องของกรรมเชื่อในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดว่ามันเป็นความจริงความจริงที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต ตาสาวกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นแล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับสัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังมืดบอดอยู่ยังไม่รู้ว่าภพชาติใหม่นี้มีจริงหรือไม่ไม่รู้ว่าตายแล้วสูญหรือไม่เราจึงต้องเชื่อคนตาดีก่อนเพราะเราเป็นเหมือนคนตาบอดคนตาบอด ถ้าไม่เชื่อคนตาดีก็จะไม่มีทางที่จะพาตนไปในสถานที่ปลอดภัยได้เพราะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าข้างหน้านั้นปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยถ้ามีคนตาดีนำทางก็จะปลอดภัยเพราะคนตาดีจะรู้ว่าข้างหน้านั้นมีอะไร เป็นอันตรายหรือไม่ถ้ามีก็จะหลีกได้หลบได้คนตาบอดไม่รู้ก็จะเดินตรงเข้าไปหาอันตรายและเมื่อเกิดอันตรายขึ้นมาก็จะสายเกินแก่ฉันใดถ้าเราไม่เชื่อคนตาดีแล้วเราเชื่อตัวเราเองทำอะไรไปตามความชอบความอยากของเรา เราก็จะไปเจออันตรายที่มันเวลาที่มันเกิดขึ้นแล้วมันสายเกินแก้เวลาที่เราทุกข์เราวุ่นวายใจตอนนั้นแหละมันสายเกินแก้แล้วเวลาที่เราจะคิดค่าตัวตายอย่างนี้มันสายเกินแก้แล้วแต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วพยายามทำบุญอยู่เรื่อยๆเราจะปลอดภัยจากภัยอันตรายเพราะการกระทำบุญนี้จะพาเราให้อยู่ไกลจากภัยอันตรายทั้งหลายจะพาให้เราไปสู่ที่ปลอดภัยที่มีความสุขอย่างถาวร อ, อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ ได้พบได้เห็นได้ครอบครองนั้นเองอยู่ที่การสร้างบุญบารมีเช่นทานบารมีศีลบารมีในคัมภีบารมีปัญญาบารมีเมตตาบารมีเป็นต้นเราควรที่จะสร้างมันอยู่เรื่อยๆทานบารมีก็คือการให้ของต่างๆที่เรา มีอยู่ที่เราเห็นว่ามันไม่จำเป็นเก็บไว้เราก็ไม่ได้ใช้มันก็ไม่ควรที่จะเก็บไว้เอามาเปลี่ยนให้เป็นบุญเป็นบารมีดีกว่าเพราะเราจะได้เอาติดตัวไปกับเราได้ถ้าเราไม่เอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้มาทำให้เป็นบุญบารมีเวลาเราตายไป เราเอาไปไม่ได้แต่เราเอาบุญบารมีไปได้ด้วยการเอาทราัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เราเห็นว่ามันมากเกินไปสาหรับเราเราไม่มีความจาเป็นที่จะต้องอาศัยมันเราก็นาเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไปสงเคราะห์ไปช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นบุญบารมีเหมือนกันขอให้เราทำด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์คือไม่ต้องการผลตอบแทนจากผู้ที่เราให้ความช่วยเหลือแต่ถ้าเขามีอะไรจะให้เราเราก็ไม่ขัดศรัทธาก็รับไว้เพื่อไม่ให้เสียมารยาท แต่เรามไม่ได้มีความตั้งใจที่อยากจะได้รับอะไรจากผู้ที่เราช่วยเหลือเลยเพราะถ้าเรายังมีความต้องการผลตอบแทนจากผู้ที่เราช่วยเหลืออยู่ก็จะไม่เป็นการให้ทานไม่เป็นทานบารมีการทานบารมีนี้ต้องให้ด้วยความรอยสุดใจ ให้โดยไม่มีความโลภความต้องการในสิ่งใดๆจากผู้ที่เราให้แม้แต่นิดเดียวแม้แต่คําว่าขอบคุณหรือบุญคุณก็ไม่สนใจแต่ถ้าเขาจะขอบคุณเขาจะตอบแทนบุญคุณของเราด้วยใจที่บริสุทธิ์ของเขาก็ไม่เป็นปัญหาอะไรก็ทำได้เราก็รับไว้ได้ สิ่งที่เราให้ก็อย่างที่บอกนอกจากวัตถุข้าวของเงินทองแล้วถ้าเราไม่มีวัตถุข้าวของเงินทองเรามีความรู้วิชาความรู้เราก็ให้วิชาความรู้นี้ได้เช่นเราสอนให้คนเอิ่นรู้จักวิธีทำกับข้าวกับปลาหรือทำอะไรก็ตามที่เขาสามารถนำเอาไป ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างนี้ก็เป็นการให้ทานเหมือนกันเรียกว่าวิทยาทานให้วิชาความรู้ถ้าเราไม่มีวิชาความรู้แต่เรามีธรรมะเรารู้เรื่องบาปบุญคุณโทษรู้เรื่องพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ารู้เรารู้จักหนังสือธรรมะดีๆ เราก็เอาไปให้กับผู้อื่นได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ธรรมะแปลว่าธรรมทานและทานอีกอย่างหนึ่งที่เราให้ได้ก็คืออภัยทานคือการไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่จองเวรจองกรรมแก่ผู้ที่ทำให้เราไม่พอใจ ทำให้เราเดือดร้อนหรือทําให้เราเสียหายเราจะยกโทษให้กับเขาไปให้อภัยการให้อภัยนี้จะทําให้ใจของเราเย็นสบายความเย็นสบายของใจนี่แหละคือบุญส่วนความร้อนของใจนี่แหละคือบาปเวลาเราโกรธใคร อาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกับไขวไว้ใจจะร้อนเหมือนเป็นไฟนรกเลยทีเดียวและเมื่อเราให้อภัยได้ยกโทษให้กับเขาได้ใจเราก็จะเย็นลงมาทันทีเป็นบุญเป็นพุกุศลขึ้นมาทันทีนี่คือเรื่องของทานบารมี ที่เราควรจะบำเพ็ญกันตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้ามีคนเดือดร้อนเรามีเงินทองพอจะช่วยเหลือเขาได้ก็แบ่งให้เขาไปถ้ามีคนไม่มีความรู้เรามีความรู้อะไรก็แบ่งให้เขาไปถ้ามีใครมาทําให้เราโกรธแค้นโกรธเคืองอาฆาตพยาบาท เราก็ยกโทษให้กับเขาไปแล้วเราจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเพราะถ้าเราไปจองเวรจองกรรมแล้วก็ไปทําร้ายผู้อื่นผู้อื่นก็จะกลับมาทําร้ายเราเราก็จะอยู่อย่างไม่เป็นสุขจะอยู่อย่างหวาดกลัวจะต้องคอยหลบคอยซ่อน หลังจากที่เราไปทำร้ายผู้อื่นแล้วแต่ถ้าเราให้อภัยเราไม่ทำอะไรเขาเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ต้องหลบไม่ต้องซ่อนนี่คือเรื่องของฐานบารมีส่วนศีลบารมีก็คือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทาร้ายผู้อื่นด้วยการฆ่าก็ดี ด้วยการลักทรัพย์ก็ดีด้วยการประพฤติผิดประเวณีก็ดีด้วยการพูดปลดมดเทศจโกโหกหลอกลวงก็ดีหรือด้วยการดื่มสุรายาเมาก็ดีเป็นการกระทำที่จะสร้างความเสียหายให้ทั้งกับตัวเราและแก่ผู้อื่นเวลาเราไปฆ่าผู้อื่นเขาก็ต้องทุบ เรามานใจเวลาเราเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาโดยที่เขาไม่อนุญาตเขาก็ต้องเสียใจเวลาเราไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่นเขาก็จะต้องเสียใจเวลาเราไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นเขาก็จะต้องเสียใจและเราก็จะต้องอยู่แบบไม่สบายใจเพราะเราจะหวาดวิตก กังวลกลัวจะถูกจับไปลงโทษเพราะเมื่อเราทําร้ายผู้อื่นแล้วผู้อื่นเขาก็จะต้องกลับมาทําร้ายเราเราก็ต้องอยู่แบบหลบหลบซ่อนๆ อ, อยู่แบบวัวสันหลังหวัวกลัวที่จะต้องไปใช้เวรใช้กรรมแต่ถ้าเราไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น เราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายนี่ก็เป็นเรื่องของศีลบารมีส่วนเรื่องของเนคข ม, มะบารมีนี้ก็หมายถึงการสแสวงหาความสุขในใจของเราสแสวงหาความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่อยู่กับเราไปตลอด ส่วนความสุขภายนอกนั้นต้องอาศัยวัตถุหรืออาศัยบุคคลต้องมีอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะมาให้ความสุขกับเราซึ่งมันก็เป็นความสุขแบบ ส, สุขสุขดิบดิบบางทีก็สุขบางทีก็ไม่สุขเพราะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะนั้นเขาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย คนที่เรามีความสุขด้วยใหม่ๆแต่พออยู่ไปนานๆเข้าก็ไม่สุขเสียแล้วเพราะเขาเปลี่ยนไปเวลาพบกันใหม่ๆอยู่กันใหม่ๆเขาก็ดีเอา อ, อกเอาใจทำอะไรให้ทุกอย่างแต่พออยู่ไปนานๆเข้าพอเขาเบื่อเราแล้วเขาก็ไม่เอา อ, อกเอาใจเราไม่ดูแลเรากลับจา ว่าเราทุบตีเราเราก็จะต้องเสีย อ, อกเสียใจเราจึงไม่ควรที่จะหาความสุขแบบนี้อย่าหาความสุขภายนอกเพราะมันลำบากลาบนต้องหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อความสุขแบบนี้แต่ความสุขในใจนี้เราเพียงแต่มีเวลา ให้อยู่ตามลําพังแล้วควบคุมใจของเราไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆให้อยู่กับเรื่องที่เราให้จิตคิดอยู่เรื่องเดียวเช่นอยู่กับพุโทโธพุธโทโธหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกให้อยู่กับเรื่องนั้นเรื่องเดียวถ้าจะเอาพุโทโธก็เอาพุโทโธอย่างเดียวบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปอย่างเดียวแล้วจิตจะสงบ พอสงบแล้วจิตจะมีความสุขจะรู้ว่านี่แหละคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่เราไม่ต้องไปพึ่งสิ่งอื่นภายนอกไม่ต้องไปพึ่งคนนั้นคนนี้ไม่ต้องไปพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้มีความสุขอยู่ในตัวเราเสมอต้องการให้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็หามุมสงบอยู่ตามลำพังแล้วก็กําหนด จิตให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวเดียวจิตก็จะสงบลงพอสงบแล้วก็แสนจะสบายไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรอยู่ได้อย่างสบายถึงแม้จะไม่มีสมบัติเข้าวของเงินทองเลยก็ตามถ้ามีเพียงปัจจัยสี่ไว้ดูแลรักษาร่างกายก็พอแล้ว ไม่วุ่นวายไม่ลำบากลำบนไม่ต้องไปตะเกียกตะกายต่อสู้แสวงหาข้าวของเงินทองแสวงหาสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเลอให้เสียเวลาไปเปล่าๆ เ, เพราะหามาได้มากเพียงไรก็ยังไม่รู้จักว่าอิ่มว่าพอก็ยังหิวยังอยากยังต้องการ อยู่เรื่อยๆก็ต้องตะเกียกตะกายดิ้นรนต่อสู้สแสวงหาไปจนวันตายเมื่อตายแล้วก็ยังไม่หยุดก็ต้องไปสแสวงหาต่อในภพต่อไปพอมาเกิดปั๊บก็หิวแล้วอยากแล้วอย่างที่พวกเราเป็นกันเราเป็นอย่างนี้มาเป็นเวลา นับไม่ถ้วนพบชาติที่เราได้ผ่านมานี้ น, นับไม่ถ้วนและจะนําไม่ถ้วนต่อไปอีกถ้าเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมของเราถ้าเราไม่เปลี่ยนความสุขของเราจากความสุขภายนอกให้เข้ามาสู่ความสุขภายในเพราะความสุขภายในนี้จะทำให้จิตของเราหยุดอยากหยุดหิว จิตของเราไม่ต้องออกไปตะเกียกตะกายสแสวงหาพบชาติอีกต่อไปถ้ามีความสุขแบบนี้แล้วจิตจะถึงเมืองพอจะถึงเมืองอิ่มจะถึงพระนิพพานได้อยู่ตรงนี้ต่างหากไม่ได้อยู่ที่การสแสวงหาลาบยศ เ, เสริญสุขแต่สแสวงหาสันติสุขที่เกิดจาก การบำเพ็ญในคขมะบารมีก็คือการรักษาศิลแปดแล้วก็เจริญจิตตภาวนานั่นเองรักษาศิลแปดก็หมายถึงว่าไม่สาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอีกต่อไปไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเป็นต้นให้แสวงหาความสงบสงัดวิเวก ห้อยู่ตามลำพังอยู่คนเดียวถ้าอยู่หลายคนก็ไม่คุกคีกันไม่สมาคมไม่ตั้งวงคุยกันสนทนากันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างรักษาใจให้สงบด้วยการภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างนี้จิตก็จะไม่ดิ้นรน ไม่หิวไม่อยากกับสิ่งต่างๆภายนอกเมื่อไม่ต้องออกไปแสวงหาสิ่งต่างๆภายนอกก็จะไม่มีปัญหากับใครจะอยู่อย่างสงบส่วนใหญ่จะอยู่ภายในบ้านหรือภายในวัดถ้าจะออกไปก็นอกจากมีเหตุมีความจำเป็นซึ่งแทบจะไม่มีเลยถ้าเราไม่อยากจะไปเสียอย่างแล้ว เราก็แทบจะปฏิเสธเนื่องเหตุต่างๆได้หมดนะถ้าเราเป็นนักบวชก็จะมีคนเอาสิ่งจำเป็นมาให้เราเราไม่ต้องไปหาเองแต่ถ้าเราไม่เป็นนักบวชก็จำเป็นที่จะต้องออกไปหาสิ่งที่จำเป็นเช่นกับข้าวกับปลาอาหารเพื่อมาบํารุงดูแลรักษาร่างกายแต่ไม่ควรออกไปหาสิ่งอื่นที่ไม่จำเป็น เพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่จิตใจไม่ได้ไปเสริมสร้างความสุขภายในนั่นเองนี่คือเรื่องของเนคขมมะบารมีและปัญญาบารมีก็คือการหาความรู้ที่จะนำมาสอนใจให้ตั้งอยู่ในความสงบนอกจากการทำสมาธิแล้วใจยังไม่สงบพอ เพราะเวลาที่ใจไปเห็นไปได้ยินอะไรใจก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้จะกระเพื่อมขึ้นมาได้จะดีใจจะเสียใจได้ต้องอาศัยปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราได้ยินก็ดีเห็นก็ดีนี้เป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ แต่สิ่งที่เราควบคุมบังคับได้ก็ใจของเราคือใจของเราอย่าไปยึดอย่าไปติดถ้าเราไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งที่เราได้ยินได้เห็นแล้วจะไม่ทำให้เกิดอารมณ์เวลาเราเห็นหรือเวลาเราได้ยินแต่ถ้าเราไปยึดไปติดแล้วจะทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมา ท, าทันทีถ้าเราชอบเวลาเราเห็นเราก็เกิดความอยากได้ ถ้าเราไม่ชอบเราก็เกิดความเกลียดความกลัวขึ้นมา <Yeah. S 1> เราต้องทำความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องไปชอบหรือไปเกลียดไปกลัวเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเขามีอยู่อย่างนั้นมาแต่ดั้งเดิม <Yeah. S 1> เราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาถ้าเราทำใจให้สงบนิ่งปล่อยวางได้ต่อไปเวลาที่เราได้ยินหรือได้เห็นอะไร ใจของเราจะไม่เกิดอารมณ์ขึ้นมาใจของเราอยู่อย่างปกติสุขไม่มีปัญหากับอะไรทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องคอยสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเขาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเขาไม่ใช่เป็นของที่เราจะมาครอบครองไว้เป็นสมบัติของเราไปได้ตลอด เช่นร่างกายของเรานี้ก็ไม่เราไม่สามารถครอบครองร่างกายนี้ไว้ให้อยู่ไปได้ตลอดสักวันหนึ่งเขาก็จะต้องตายจากไปถ้าเราไม่ไปหลงยึดติดว่าเป็นตัวเราของเราเวลาเขาเป็นอะไรเราจะไม่เดือดร้อนเพราะร่างกายนี้ก็จะเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นที่เราไม่รู้จัก คนอื่นที่เราไม่รู้จักเวลาเขาเป็นอะไรเราไม่เดือดร้อนแต่อย่างใดชั้นใดร่างกายนี้ถ้าเรามองว่าเป็นเหมือนร่างกายของคนที่เราไม่รู้จักเราก็จะไม่เดือดร้อนเราเพราะเราปล่อยวางเพราะเรารู้ว่าเขาจะต้องเป็นไปตามเรื่องของเขานั่นเองเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปถ้าเราไม่ไปยึดไปติดไปอยากแล้ว เราจะไม่มีอารมณ์เราจะไม่ทุกข์กับการเปลี่ยนแปลงของเขาแต่ถ้าเราไม่สอนใจใจเราจะหลงยึดติดทันทีจะเกิดความหวาดกลัวทันทีถ้ารู้ว่าร่างกายจะต้องเป็นอะไรไป เ, ออเราจึงต้องสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นมาเมื่องต้นก็ไปฟังจากผู้รู้ก่อนเช่นพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวก หรือพระปฏิปันโนสุ ป, ปฏิปันโนทั้งหลายเมื่อท่านสอนแล้วเราก็นำเอามาสอนเราต่ออีกทีอย่าฟังแล้วก็ให้เข้าแล้วก็ลืมไปได้ยินได้ฟังอะไรมาต้องเอามาทบทวนอยู่เรื่อยเอามาคิดอยู่เรื่อยถ้าเราไม่คิดแล้วต่อไปเดี๋ยวมันจะลืมไปเพราะเราจะไปคิดเรื่องอื่นแทนแล้วก็จะลืมเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังมา ก็จะเสียไปแต่ถ้าเรานำเอามาคิดอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะอยู่ติดอยู่กับใจพอใจพอร่างกายเป็นอะไรหรือพอใครเป็นอะไรใจก็จะมีปัญญาเข้ามาระ ง, งับดับความกลัวได้ทันทีระ ง, งับดับอารมณ์ต่างๆได้ทันทีแต่เราต้องคอยเจริญอยู่เรื่อยๆระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆ แล้วต่อไปเราจะเป็นคนที่กล้ า, าหาญจะไม่กลัวกับอะไรทั้งสิ้นเพราะไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนอกจากความหลงที่ไปยึดติดสิ่งต่างๆแล้วทำให้เราเกิดความกลัวขึ้นมานี้เองถ้าเราตัดดับความหลงนี้ได้แล้วก็จะไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนี่คือเรื่องของปัญญาบารมี เรื่องของเนกรมมบรารมียศีลบารมีและทางบรารมีที่เราควรบำเพ็ญกันอยู่อย่างเรื่อยๆอย่างสนัเสนอเพราะจะทำให้ใจของเรามีพลังที่จะรับกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้อย่างสบายจึงขอฝากเรื่องของการบำเพ็ญบุญบรารเมีนี้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 ด้วยอายุวั น, นสุขภาระโดยทั่วหน้าการเธอ